สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดเพเยซูตอนที่สี่ร้อยเรื่องพระดํารัสจะพิ พ, พากษาเราพระวจนะของพระเจ้าอยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่สิบสองข้อที่สี่สิบสี่จนถึงข้อที่ห้าสิบพระธรรมยอห์นบทที่สิบสองข้อสี่สิบสี่จนถึงข้อที่ห้าสิบโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าและพระเยซูทรงประกาศว่าบรรดาผู้ที่วางใจในเรานั้น หาได้วางใจในเราเองไม่แต่วางใจในพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาและผู้ที่เห็นเราก็เห็นพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาเราเข้ามาในโลกเป็นความสว่างเพื่อทุกคนที่วางใจใเราจะไม่ได้อยู่ในความมืดถ้าผู้ใดได้ยินถ้อยคำของเราและไม่กระทำตามเราก็ไม่พิพากษาผู้นั้นเพราะว่าเราไม่ได้มาเพื่อจะพิพากษาโลกแต่มาเพื่อจะช่วยโลกให้รอดถ้าผู้ใดไม่ยอมรับเรา และไม่รับธรรมของเราผู้นั้นจะมีสิ่งหนึ่งพิพากษาเขาคำที่เราได้กล่าวแล้วนั่นแหละจะพิพากษาเขาในวันสุดท้ายเพราะเราไม่ได้กล่าวตามใจเราเองแต่ซึ่งเรากล่าวและพูดนั้นพระบิดาผู้ทรงใช้เรามาพระองค์ได้ทรงบัญชาให้แก่เราเรารู้ว่าพระบัญชาของพระองค์นั้นเป็นชีวิตนิรันด์เหตุฉะนั้นสิ่งที่เราพูดนั้นเราก็พูดตามที่พระบิดาทรงบัญชาเรา เพียงครับจากพระวจนะพระเจ้าตอนนี้เราจะเห็นหลักการที่สําคัญที่ส <te> ุดก็ค <te> ือว่าพระเจ้านั <auch. S 3> <te> ams, ้นพระบิดานั้นทรงใช้พระเยซูพระบุตรมาในโลกนี้เพื่อที่จะเป็นตัวแทนของพระองค์ในขณะที่พระเยซูพระบุตรนั้นก็เป็นพระเจ้าในเวลาเดียวกันพระบุตรพระเยซูนั้นเป็นตัวแทนของพระเจ้าครับเมื่อมาจากพระเจ้าและเป็นตัวแทนของพระเจ้านั้นสิ่งที่พระเยซูตรัส หรือว่าดำรัของพระเยซูนั้นก็เป็นพระดำรัสของพระบิดาเจ้าบนสวรรค์ด้วยเหตุ น, นี้เองในข้อที่49พระเยซูตรัสชัดเจนครับยืนยันตัวเองว่าคำพูดของพระองค์นั้นไม่ได้กล่าวตามใจของพระองค์พระเยซูตรัสดังนี้นะครับว่าเพราะเรามิได้กล่าวตามใจของเราเองแต่ซึ่งเรากล่าวและพูดนั้นพระบิดาทรงใช้เรามาเพื่อพระองค์ได้ทรงบัญชาให้แก่เราพี่น้องครับ พระบิดาทรงใช้พระเยซูมาพระบิดาได้ทรงบัญชาพระเยซูให้กล่าวตามที่เป็นน้าพระทัยของพระองค์เองเพราะงั้นครับสิ่งนี้เองทําให้เรารู้ว่าแม้ว่าพระเยซูจะมาจากพระบิดาแต่พระเยซูนั้นทรงความเป็นพระเจ้าครับและพระเจ้านั้นเป็นพระเจ้าองค์เดียวแต่มีทรีเพอร์เซ่ก็คือมี สามพระบุคลานุภาพครับก็คือเรียกว่าทรินิตี้หรือตรีเอกานุภาพหรือตรีเอกภาพนั่นเองตรเอกภาพนั้นมีความหมายว่าพระบิดาทรงเป็นพระเจ้าพระบุตรทรงเป็นพระเจ้าและพระวิญญาณทรงเป็นพระเจ้าในขั้นเดรัจการครับพระบิดาไม่ใช่พระเยซูพระเยซูไม่ใช่พระวิญญาณและพระวิญญาณก็ไม่ใช่พระบิดาอันนี้คือความเป็นมาหรือความ พยายามที่จะอธิบายเรื่องของตรีย๋ยกาภาพที่อธิบายยากมากแต่อย่างนี้นก็ตามครับพราะเจ้พระเจ้าในวันนี้ก็คือคําของพระเยซูหรือพระดำดัตของพระองค์นั้นก็จะเป็นหลักที่ภากษาครับคําว่าหลักที่ภากษานั้นก็คือเป็นเหมือนกับกฎหมายเป็นกฎบัญญัติธรรมเนียมกฎธรรมเนียมหรือกฎบัญญัติหรือกฎหมายหรือเราเรียกว่าพระราชบัญญัติซึ่ง จะใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินพิพากษาในวันสุดท้ายที่นี่นะครับเราได้เห็นคําสอนอยู่ห้าคำสอนด้วยกันคําสอนแรกก็คือพระเยซูต้องการให้เราวางใจในพระองค์เพราะอะไรครับพระองค์ทรงตรัสว่าใครก็ตามที่วางใจในพระองค์ก็เท่ากับวางใจพระเจ้าผู้ทรงใช้เรามานั่นคือพระบิดาครับนี่คือหลักคําสอนประการแรก ประการที่สองครับพระเยซูทรงเป็นความสว่างทุกคนที่วางใจในพระองค์นั้นก็จะมีชีวิตที่อยู่ในความสว่างและชีวิตของเขานนั้นจะไม่เดินในที่มืดต่อไปเพราะฉะนั้นพี่น้องครับโปรดฟังดีนะครับเมื่อเรารับพระเยซูเข้ามาในชีวิตพระเยซูก็จะเป็นความสว่างในชีวิตของเราเมื่อเราเดินอยู่ในความมืดนะครับเรามีพระเยซูยก็เท่ากับว่าความมืดนั้นได้หายไป ทางของเราที่เราเดินไปนะครับก็สว่างครับประการที่สามครับเราเห็นว่าการมาของพระเยซูเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วไม่ใช่มาเพื่อที่จะพิพากษาแต่บทเรียนนี้ทำให้เรารู้ว่าจะมีการพิพากษาในวันข้างหน้าอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเรื่องราวของพระเยซูไม่ได้จบภายใน 2,000 ปีที่แล้วครับแต่ได้ขยายออกมาจนทังถึงภาวะนิรันดร์นะครับก่อนเข้าสู่ภาวะนิรันดร์จริงๆ ก่อนจะเข้าสู่โลกใหม่ฟ้าใหม่แผ่นดินใหม่จริงๆ จ, จ, จะต้องมีการเสด็จมาขั้นที่สองของพระเยซูอย่างแน่นอนครับพี่น้องเพราะฉะนั้นเราจะต้องดำรงชีวิตอยู่ในความไม่ประมาณครับอย่าไปหลงหาของบางสีบางอย่างที่เอาไปใช้บนสวรรค์ไม่ได้เองครับประการต่อไปก็คือประการที่สี่การกล่าวของพระเยซูนั้น ได้รับคำบัญชาจากพระบิดาครับพระบิดาด้านบัญชาพระเยซูให้เสด็จมาในโลกนี้ให้เป็นตัวแทนของพระบิดาเจ้าพระบิดาบัญชาพระเยซูให้กล่าวตามน้ำพระทัยของพระองค์ต่อไปครับพระบัญชาของพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่มากในข้อนี้ ห้าสิบนะครับเรารู้ว่าพระบัญชาของพระองค์นั้นเป็นชีวิตนิรันดรเหตุฉะนั้นสิ่งที่เราพูดเราก็พูดตามพระบิดาทรงบัญชาเราอย่างครับคําว่าเรารู้พระเยซูจัดว่าพระองค์ทรงรู้ครับการว่าเรารู้นะครับทําให้เราต้องรู้ตัวเองครับว่าตัวเองอยู่ในสถานภาพไหนพี่น้องครับผมอยากจะให้ในวันนี้นะครับคําที่สําคัญที่สุด ที่พี่น้องจะไปไข่ขวนก็คือว่าเรารู้ผมรู้ฉันรู้หนูรู้ข้าพเจ้ารู้ข้าพเจ้ารู้นะครับข้าพเจ้ารู้ข้าพเจ้ารู้ว่าเมื่อข้าพเจ้าเชื่อฟังพระเจ้าข้าพเจ้าจะได้ชีวิตนิรันนะครับข้าพเจ้ารู้ว่าเมื่อข้าพเจ้าเชื่อฟังพระเจ้า เมื่อข้าพเจ้าเชื่อศรัทธาในพระองค์ข้าพเจ้าเชื่อวางใจในพระองค์และเชื่อทําตามพระองค์ข้าพเจ้ารู้ว่าข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระองค์และข้าพเจ้ามีชีวิตนิรันดร์พี่น้องครับนี่คือสิ่งที่สําคัญผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่าไม่ว่าเราจะเข้าใจนะครับเรื่องเซอการรูปภาพบางท่านอาจจะเข้าใจน้อยบางท่านอาจจะเข้าใจเยอะนะครับแล้วความเข้าใจตรงนี้ผมอยากจะบอกว่า เป็นเรื่องลึกลับที่เราเข้าไม่ถึงครับถามว่าทําไมครับเพราะคําคว่าตรีเอกภาพหรือใจเอกภาพหรือแม้กระทั้งตรีเอากานุภาพนะครับรสาษาอังกฤษจะว่า Trinity เนี่ยครับในพระมุทีไม่มีแต่เราจะเห็นชัดเจนครับเมื่อเราสรุปแล้วเรามองพระกมภี์ตลอดทั้งเล่มเราเห็นพระบิดาพระบุตรและพระบิดามาสุดชัดเจนครับและมีความเชื่อเทียมเท็ศหรือลัทธิเทียมเท็ศนะครับ ซึ่งเรียกว่าเ้านะครับที่ไม่เชื่อว่าพระเยซูปเป็นพระเจ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องคอขาดบาดตายนะครับเป็นเรื่องของความเข้ากันไม่ได้ของหลักคำสอนหรือคิดศาสนศาสตร์เพราะฉะนั้นใครที่ไปเชื่อนะครับใครใครที่ไปเชื่อทางแถวพยานพยาวานั้นพี่น้องครับจะไม่รอด จะไม่ได้ชีวิตนิรันดร์พระเยซูตรัสว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตครับไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้ไม่มีผู้ใดมาถึงพระเยโฮวาได้นอกจากจะมาทางพระเยซูรครับพี่น้องครับในโลกนี้ไม่มีนามไหนเลยไม่มีนามไหนเลยนะครับที่โกรธให้มนุษย์รอดได้ทั่วใต้ฟ้ามีแต่นาม พระเยซูแต่ผู้เดียวในเช้าวันนี้เป็นเช้าวันเสาร์ครับพี่น้องอยากจะให้พี่น้องได้มีโอกาสให้ ค, ควรพ่อจะนัดของพระเจ้าให้ ค, ควรเรื่องเตีเอกกนุภาพว่าเตีเอกกนุภาพนั้นเป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเราอย่างไรแต่พระดารัสของพระเยซูในที่สุดแล้วก็จะเป็นหลักการที่ภากษากับกลายเป็นกฎหมายกฎหมายที่จะพิ่ภากษาคนที่ไม่เชื่อฟังในวันสุดท้ายขอพระเจ้าช่วยเรานะครับให้เราที่จะเรียนรู้ในการเชื่อฟัง เรียนรู้ในการอ่านพชจะนะของพระเจ้าเสมอทุกๆวันเพื่อที่จะพัฒนาปรับปรุงตัวเองให้เข้าสู่มาตรฐานของพระองค์อามน